ไปเปือวสุที่ดครับก็เป็นวัสดุที่ดรไม่จับไม่น่้าเท่าห้าที่ร้อนห้สิบอดรับร้อยหบเข้อที่แนะครับพิสูนรูปใจตบเทืองไม่พอใจตามจดพิสูจน์ด้วยอาปัจรัชิกันไม่มีมูลไม่เห็นเองไม่ได้ยิน ไม่มีเหตุ น, หน่าละว้นด้วยประสงค์ว่าทำอย่างไรความถึงจะให้ที่สุดนี้เคลื่อนจากพรัจำนี้ได้หลังการจะจบไปแล้วจะถูอสอบสวนหรือไม่ก็ตามและอภิกรเรื่องที่โจบนั้นก็ไม่มีมูลด้วยทั้งที่สุดผู้จบก็อีอาัยโธราด้วยต้องอาบัติความ เปนนี้นะครับเดี๋ยวอี่บายให้ฟังข้างๆนะถ้าบอกว่าพสจุดกดเรื่องภาษาบาลีคือทุดทโถโถสูทุดสายก็คือพิสูจนรูปนี้นะครับถูกโทสันประทุษร้าใช่ไหมพอโทสานขึ้นก็เรียวเรียนใจเล่าร้องมีสมาใจนะครับและท่านก็ได้ชื่อว่าโทสันคือเมื่อความกดประทุสร้ายขนะั้นเนี่ยท่านก็จะมีการปร ะ, ประทุสทร้ายคนอื่ครับมีการปิะทุร้ายคอื นี่ครับนี่เรียกว่ากดเถือนไม่พอใจตามสจดที่สื่อเร่ยบประปราช่ไม่มีมูลก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่มีเห็นหน้าระบายไม่เห็นนี่ไม่ได้ไปเห็นเองนะครับไม่ไนเองสักจังนะว่าคนนี้น่ะถ้าเปเสด็จเป็นหญิงผู้หญิงไม่ได้เห็นนะครับไม่ด้เห Mal ็นว่าตาข่างรูปนละมีมูลเลยและก็ไม่ได้ยินครับ ไม่มีเคือไม่มีการมาไล่คุณตันว่าท่านนั้นเป็ไปอะไรที่ีั่อย่างนี้นะครับไม่มีเลยไม่มีเห็นหน้าอะบายซึ่งหเห็นหน้าอะบายบาาเนี่ยมันมาแว่าการไม่เห็นได้ยินว่าคนกิบย่าเห็นใช่ว่าเห็นหน้าไว้มีวิศรุตหนึ่งเข้าไปในภูมิมาครับไปทำ ล, ล่าสุดดูชนะปัสสาวะแล้วก็ต่อมาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในภูมิมาเหมือนกัน ที่สือลูปที่สามนะลูปนี้ครับเห็นตุนการณ์นะครับพระเข้าไปนี่ผีเข้าไปนี่แล้วเข้ามางคนาณาผู้ม้ใน่ง่านะครับพอพระเจ้่ถงตัวเเสร็จแล้วนะครับตางคนเข้าไปทีกออกมาพออกมานะแต่คนนี้แหละเขาไม่รู้เข้ากับความสงสนะครับนี่สงสัยองค น, นไป ม, มีอะไรอย่างนี้นมั่งเลยเข้ า, า ก, กันผ<อ>ู้ม้หนึ่่านนครับอันนี้เรียกว่าระแวง แรงส่องแสนะล้วอีกนว่าแผนนะครับนด้ยินนะครับท่ากับผู้หญิงเนี่ยคุยนะครับแล้คืนเนือแก๊สซีแล้วก็มีเสียงอะไรสันะครับมันจะมีอะไรกันไตนะครับท่านก็เลยรัเลยส่องแงนะกระสดขึ้นมาอันนี้นะครับท่ว่มีเหตุหน้าอนอไแต่ในกรณีนี้นะเขาไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่มีนั่งบอดอะไรทั้งนั้นเลยครับยืนต้องการจะหาเรื่องนะ อันจะเกียบที่ได้ไม่าอใช้ลูกนี้นะครับต้องการงหาเรื่องโจทย์แบบปาชิก็รู้ประสมว่า น, นะครับต้องการ้พิสูนี้เสกออไปครับเครื่องหนึ่งพรมันทรอะไ น, นะ่ต้องการให้อยู่นะงานนี้เล่นะครับหลังจากที่ได้โจทย์ไปรแล้วนะผู้โจทย์นะจะถูกคนหนึ่งสอบไม่ก็ตายนะครับจะงมีสอบถึงไม่สอบงถ้า น, น, นะอนกรเรื่องนั้นนะครับก็ไม่มีมูลด้วยไม่มีความจริงอะไรครับ ที่สุดนั้นก็มีอาศัยโทสารโสดไห่พอใจเดียวนะครับถึงน่ า, ออ า, นะาจะแก้จูงภายหลังก็แก้ไม่ได้พัดปุ๊บไปปุ๊บเขาลูกฟางในขณะนั้นเอาเนะ่ยสกามีต้องเข้าลูกฟางด้วยนะครับฟัดปุ๊บเข้าลูกฟางหน้าขาวายอันนี้ก็ต้องแบบมาดิเศษสมัน ย, ยม น, นี้ไม่เพิ่มมนะแต่ว่าใจคงจะอย า, ากบ้างนะจะมีได้จนไม่ประลาที่ไม่มีมูลเลยนะั่ ก็ยังมี oh, okay. ้นบ้นอยู่นะก็ยังนซเรื่องนี้ต่างกันนะเจ้าหน้า่รอใช่ครับทนี้เรากมานรื่องบรรยากามตนบรรยากาศนี่คือเรื่องของท่าท่านมาท่ามนบุดครับเพราะถ้าท่ามันบุดนตรงนี้เกี่ยวเนื่องกับถ้าไม่ดีอย่างมุสกาไม่เหนนะตองคนเป็นพระสัมพธชั้นหัวหน้า เป็นเด็กมีวัฒนธรรมนะตามลามีพระบ่าวตามโจยหลายอย่างนะแคงหน้าแล้วเรจะเจอท่านเลราว่าโดยสมัยนั้นพระพ่อไดาจ้างํระยู่หน้าพระโดยดูวามิหาการบรสถานวี่พาลัยชาญยู่ธการแปรเขตพระนครราชกษัย์ครั้งนั้นท่านพระพุทภาพมับุตรมีอายุเจ็ปีนับแต่เกิได้ทำได้แจ้งซึ่งพระัธรรมใครรู้เมื่อพระพทธาพมันบุตรก็ไปอ่านพระนักธรนะ หรือเชื้อสว่างสีมกาสาว่างคุครับคุณนังสองใบงานได้ยังหนึ่งซื่อสาวเด็กคุณบรรลท่านได้มรรลุแล้วโดยดังนั้นนำามหลังขัหกนครับเป็นธาตุนใช่ไหมมีสังขางสีปัญญของสังขานะครับั้งหมดนี่มีอะไรนะมันจะธรรมดาฝั่งสมบัตมันเต็มที่แล้วครับไอนวกสังขารนี่ก็ได้รู้จะให้ศัวนันเ่ง ถ้าไม่มีรกรณีจิตอะไรที่ยิ่งขึ้นไปหรือตรณีจที่ท่านทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องอาสังง่งเขาอีกเพราะบราลุเทนร้อยแล้วนะทีนี้ก็มีอครั้งนครับท่านไปที่สง่าหลิกเล่นนะันมีความประิษฐ์ในใจคือมีความคิดนะครับที่ใน ใ, นใจอย่างนี้ว่าเรามีอายุเต็ดปีนักแต่เคทำาป็นแจกซึ่งพระรหัสคุณสมคุณสมบัติยหซึ่อสาวจุดถึงรรลุและพวกก็กมีอกันทะี่ ถ้านค่ดต่อไปว่าเนี่ยท่านไม่ต้องมีทํากิจเกี่ยวกับการเจริญมากมายและวทุ่งเรานาลุล้างนะท่านเลยที่ว่าเราควรทําการชื่อเหลืออะไรหน่อแก่สองกำลังน ok ั้นท่านปัะป้ามาบรรุุได้คิดตกลงใจว่าปีนั้นเราควรแต่งตั้งสนาชนและแจกอาหารแก่สองทาไมท่านถึงมีความคิดเหนียขึ้นมาได้ก็ตั้งความปริศนาไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าองศ์ก่อนแล้วก็เช่นมาได้ตำแหน่งนี้ ใช้งินความคินี้คัมงที่ออกจากพิณเนยเวลาเย็นแล้วก็ข้อเข้มือผ้าันสร้างที่ประทับถวายังคมแล้วน่ที่ควรส่วนข่านและด้กาูว่าก็เล่าน้ตสมบูรณประาติาฟังที่ท่านตะคียนนอย่างนีครับและเกียรติอ่าพิจารณ์ข้าพระเจ้าควรแต่งตั้งสนาสนะได้จจกอาหารแก่สงข้าพระเจ้าปักไหนแต่งตั้งสัญชาได้จากอาหารแก่สมบพรเจ้าข้า พุาเจ้าตรว่าดีละดีละข้าพเ่าถ้าเช่นั้นเธอจงแต่งตั้งคนะคณะและจจอาหารแก่ผู้ศึเธอพระระฆังก็รับผู้เจาคำบว่าอย่างนั้นพรเจ้าข่าลําดับมุาคเจ้าท่านทําภมิจักาในช่วเช้าเมื่นั้นเพอนแรเกิดนั้นแล้วเลาสัมปัะิสุทธ้าวหมายว่าด้วามพสุทธ้าหมายถ้าเฉะนั้นสองจงสมมติข้าพเจ้ามารบุตรให้เก็ผู้แต่งตั้งคนะคนะแลดจจ วิธีทําตอนแรกนะครับตอ น, น, นที่หลวงป้าเจ้าหน้าที่ให้พระสงฆ์ขอร้องพระธาตุป้ามารบุตรให้รับหน้าที่นี้ก่อนอันนี้มมแม้ตำแหน่งอื่ น, น, นก็เหมือนกันนะก็ถ้าให้สงฆ์นึกว่าคขาดึงดูดนมะขอให้ท่านร้อก่อนจะถึงที่ก็เป็นการเพื่องัวท่านได้นะต่อปนในปลายหลังนนะ่ะ ท, ท่านมีเงินเก็บมาว่าท่าน่ะท่านก็จะได้หน้าไนดนะ้ว่าประสงฆ์คนขอร้องท่านเองนะคนอื่นก็จะมาว่ า, าไม่ได้นะ ก็สมควร่กันปกป้องหน้าเลยนะเนี่ยารสมเจที่เอกแนะนำาบบนี้เทนี้นะครับให้ขอรองข้างก่อนพรนนับนะฮะก็รู้สึกศักดิ์ศรีมากสุ่งถือี่จกลับมาหัวสมคว้าหน้าที่ เ, เ, นนนนเ ส, สามเลยทีนี้พอท่านว่ามันเป็นเจ้หน้าที่แล้วนะครับท่าเนเป็นเจหน้าที่ดีมากนะแล้วท่านใต่งต้งคณะน้นรวมว่เป็นพวกพวก คะมุทิสุผู้สมองเสมอกันคืมุิสุนั้นที่ทรงพระสูรใช่ไหมท่านก็ไปอยู่ใกล้กันนะครับนนะชนะนะรวิส่านั้นไว้ดประสงว่าพวกเธอจะซักความระสูขกันที่สุเหล่นั้นทรงพระมินัยท่าก็แตการสนะรวมมิส่วนั้นให้ไปอยู่ด้วยกันด้ประสงว่าพวกเธอจะมีชายพระมีนายแลวก็พที่งพระวิธรรมก็ปอยู่ร่วมกันด้ประสงว่าพวกทา ที่จะไวลาทีได้ฌานนะแค่ก็ไปรวม่าในที่เดียวกันแล้วมัประสงค์ว่าพวกเธอจะมากกองวนกันไม่ใช่ว่าพวกที่ไดฌานนะแล้วพุณที่ช่องจะซือมาอยู่ด้วยกันนี <c oughs> ่ไม่ต้ปวนที่ไดฌานะนะครับนี่ไม่ได้นะต้ะเไยรวมเาเป็นแต่ที่สนที่ไปข้ <c oughs> าพ้ากำล้าาเรียนนะครับอยู่ถึงแม้ใกล้กันนะครับพวกช่ อ, อ, อ, องๆนั่งเก็บอะไรนะครับ่างนี้ไม่ได้เ ให้อยู่กันแบบสรุปทั่วไปเลยนะครับถึงขนาดนี้นะว่าพิสูเหล่าในเนี่ยชอบการดีดฉันกันผูนี้ม่เอาทั้อยางนะครับผู้นี้ไ่ยมรงบสาระครับยังมีการการมำรุงว่ากายอยู่มากท่านก็แต่งตั้งานะพรองคพิสูจเหล่านั้นไว้แห่งหนึ่งรู้รู้สึกว่าข้าหลังนี้จะอยู่ด้วยความยินดีแม่นี้ก็ยถูกคล้องแนอยู่ด้วยกันนะครับอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะครับ ทีนี้นะครับเวล า, าที่สุ่เข้ามาเข้ามืดแล้วก็ถ้าบ้านมันก็เข้าในสุกสิงนะครับแล้วก็ทำแสง ส, สว่้งเกิดขึ้นๆๆทาแสง ส, สวให้เกิดขึ้นพาที่สู่เหล่านั้นนะครับไปการชนะนั่นายที่ที่หัวนั้นก็บรรลุนะครับก็แกล้มาเวลาเข้าือนะก็จะมาชมิตที่ปฏิหาของปัจจุ บ, บันรบุนะครับแล้วก็ ขอน้หน้าที่อยู่แาวไนกันนะครับไหนะคอับใครางเลยบางลูกก็บอกว่านะครับขอรงแต่งตั้งเนี่ยในพวกผมที่ภูเขาสิบปูมู้อกว่าที่เหอเกิดิ้งจอที่บุษาอีกสิบที่นี่ที่ภูเาเลยพานะที่สปาร์สนี่การใกล้ศิวะที่เขาซอบของโภตมั่นครับเพราะพิจางณาเลยนะที่ตะปูทารบ แต่ก็ถ้าว่มามังงุนนะครับสามารถใส่ใจได้ทั้งหมดถ้ามาต่างหลายลูกท่านก็เลยไม่เจอก่าหลายคนนะหลายคนนะครับแลวก็พานี่ะไจุดอจดนครับอือแล้วกชี้แจงอะย่างนี้นี่เตียงนี่ต่งางใี้ผุนี่หมอนี่ที่ถาระดที่ถาตเสบานี้น้าฉันนี้น้าใช้ชม้ำาวนะครับนี่เนเบียกิการสมคนขอดเวลนี้คนของเวลานี้นะครั่ฟังฟังดดีอย่างมากนะก็ถ้ามีนิดนะครับ ถ้ากรบรยงต่ออะไรได้เนี่ยนอะืมต่างๆให้คุณภาพมันดูดีขึ้นถ้าอยากไดจะมีเอกัรชาอย่างนี้เคราบทีนี้ครับสมัยสมัยนั้นแหะมีภาพพิส์อยู่สองรูปอยูในพวกประจักษ์วัตชับก็นะครับคือภาพแรกมันจ ะ, ะกับบงกเป็นภาพบุรใหม่มีบุญน้อยนครับอันนี้เจ๊ต้อังลยภาพบุใหม่มีบุญน้อยอยังไง เซนัสนาของสองชีวิตเร็วและอาหารอย่างเรวย่อมตกทิ้งเนี่งเจอทั้งสองเนี่ยก็จะได้เนัสนาแบบที่แบบเรือแล้วนะเพราะเพราะน้ำากาศไม่ได้ัุดท้ายใช่ไหมครับอาหารก็คือสุดท้ายเหมือกันนะก็ได้เนี่ยเซนัสนที่เร็วอาหารที่เลยวเพราะความที่จะมีบุญน้อยนะถ้าบอกว่าไม่ใช่ที่เขาแจกตามลำดับสองอย่เดียวนะแม้ที่เขาส่งมาตามปกตินะครับพอสองลูกนี้มานะ อาหารที่ถูกเปลี่ยนเป็อาหารที่เล็วนะครับเพราะไฟที่มีมูลน้อยนะกายจะหนึ่งเท่าเลยทีพอนี่นะข้อไหนะไม่ได้หนาถ้าเาไป็นด้านหลังมองพาด้านี้มือบางบังเลยนีเงบังเลยไ่ด้กมันเ็นอะไรนต้องรอมูลอะไรนะเป็นจริงจริงสนาม้าน ท้านามลำดับสองก็ว to ่าแต่อย่างนี้ครเปมีผู้บวกใหม่นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับางหลบที่ชาวบ้านถวายความรกก็แล้วแต่จะถูกจิการงถดกเกีย์ใน่พอที่เลยอะไรนะเพราะมันคืน้อยจริงๆส่วนพ่อแม่เดียร์ถ้าคุณมัจาการครับชาวบ้านในชนบัเราจะคือนะชอบถวายสายบ้านน้ำมันบ้านแกงที่มีรถดีๆบ้านซึ่งจัดรุงเฉพาะวัตถุดิบอาหาส่วนพ่ม่เดียรมากาแล้วเข้าถวายาหา อย่างพรมนาวันสถานล่าเป็นชนิดปลาข้าที่หัดขันข้าสหภาพนครับมีน้าส้งเป็นกาดนเะอาจจะน้ำขันรองเนื้อยังไม่มีโอ้ยหนขนาดนี้น้ำสการองนี้เนยเหลือเกินนะครับเดียวอนกัเด็กิฉบางแล้วก็เทียบฐานนิสุกพูดวินเทล่าครับฐานเนื้อนว่าลองถามพวกท่านมีอาหาอะไรบ้างมีอาหารอะไรบ้างนครับฟาเดล่าก็บอกว่ามีอาหรอย่างนั้นอย่างนี้ นีคร <w> no? like ับท่านก็ไ <nói> ด <gy wa> right ้บอกว่าพวกผมไม่มีอะไรเลยครับมีแต่อาหาธรรมดาตามแต่สถานะเป็นชีวิตไปข้ามนี้นะคตรกินกลับผ็จะน้อยใจนะน้อยใจว่าอะไรบ้างนะนี่ต้องยอมรับนะอ่างของมูลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเจอข้อมูลเปจริงไม่ต้องกลัวหรอกอย่างเรื่องของสมัยนายอะไรเรื่องนี้นะเรื่องของปัสสิเดียนะครับใคยจะเรื่องบวดใหม่นะครับ หน้าใสกันหน้าอะไรจะมาให้แย่มไม่ต้องกลัวครับี่มีขีบปมไม่ได้มใช่ครับถ้าสมัยสมานก็มีข้าบดีคนหนึ่งน ะ, ะข้าบดีคนหนึ่งนะครับแกชอบถวายแตอาหารที่ดีนะและถวะังวิทยาพันธ์ครับแกก็สวายกัตถอาหารวลาสี่แห่ง เตรียมประสบการณ์ที่จังเนะครับยังพลาดาย่างเลยนะแล้วก็พ้องกับบุตรภรรยาถวายทาในครองโลกนะครับอาารความเสื่อมอาหารใกล้ๆนะคนอื่นในบ้านคุคนใช้ทุเอะไรเนี่ยก็จะถามไมทราบสุดต่อข่าวปุนความเสื่อมความบริการตลอดนะทีนี้นะครับเ้าก็แจกทัศน์หาเนี่ยก็ตามหลักของเราในวันหนึ่งนะครับเขาดแค่ได้ถวายทัศน์หาของชาติบริบูชอมถวอาหารที่ดี ถ้าพระแม่เ้าก็องมัจานะเพื่อสในวั น, นวรุ่งขึ้นนะนะทีนี้พอตกเย็นเนี่ยข้าบุรีนี่ก็มาสุารามด้วยเรื่อบางอย่างแล้วก็ไปหาพระเจ้าปามบุ น, นะครับพอ ค, คุยอะไรกันนิดน้อยนะั้นข้าบุรีก็เลยถามว่าพวนะ่นี้เน่ะถ้ารุ่นี้จะไปฉันบ้างหรืหอเป่าพระธมามรบอกว่าถ้าแม่เ้าก้องมจอคจฉาเมื่อข้าบุรีได้ทราบแค่นี้นะน้อยใจเลยนะครับน้อยพอใจด้ว่า ฉันไหี่สูจผู้ลามกจากฉันประกันยังเริยนลาบ้าครับ่อย่างนี้เลยนะมองคามคุไม่ดีด้วยนะครับพอกิไมเดยวเนีทีนี้พอเขาตับ กลับไปที่บ้านปม๊บเนี่ยเขาสั่งสาใช้เนี่ยครับว่าแม่ขาวใช้เจ้าจงจัดอัศนะไว้ที่ซุประตูและอันชาติที่สุดพูดจะมาฉันปฎาหารในวันพรุ่งนี้ด้วยปลายค่ำยันส่งถึงกลับเราสั่งเลไม่ต้องเข้าม้านเลนะอันาตขวอาหาตรงหน้าบ้านสุประตูเลยแล้วฉันกลับไปพร้อมพระมเหสีมรดจการรู้นะครับว่าตุเวศได้ไปฉันพรุ่งนี้นะดีจใจมากนะครับเพราะมันก็ได้ฉันที่ดีนะ เพราะน้อไม่ค่อดาเลยนาน้นครับเีย่ามีใจพอไปถึงตอนเช้าก็ก็ไปตามตามหินมเขาไปนะพอไ่ถึงก็สาวใช้ถิ่นเ้ามานมันกัดมาจกัเนี่ยครับก็เลยกลัวนายให้นัางตรงนั้นไหนนี่ยให้เขาเข้าใจว่าอาการนี้มันเสกนะครับเขาก็เลยยกอาหารมาเลยปลายข้าวพิซั่าเขาสั่งาพอที่เต็มน แล้วก็ขดนองครับประกาศรองแล้วไหมนี่แหละฉันก็เลยถ้าเน้องหญิงพู้ายเป็นทระรับฉันวิญยาณนิจฉพักการดิฉันแท้แลวเจ้าแท้หมพระคุณเจ้าเป็นพ่ะรับสันวิพรแต่เมื่อวานเนี่ยข้าบุรีก็สั่งาอย่างนี้ฉันเลยาำต่างนะครับเพราะเมื่อเมื่อจัดการโอเสียจมากเพราะไม่ได้เลย แสนดีใจที่ได้ไปสถนที้ครับก็เลยคิว่าในใครเป็นตัวการ ท, ทนนี้นั้นก็เลยนึกถึงไปนะครับเาเห็นเมื่อวานเนี่ยข่ามีคนที่ทหารพะธัปปมลบุตรนะแล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแ ล, <c oughs> แล้วพ ร, ระธัปมลบุตรต้องไปยุยงแบบนี้ทํ่างนี้แ น, น่หรือเปล่เสียใจนล้ยังผูกอดพระธัปมลบุตรอนะนะคะนรับฉันไม่ได้ใจประสงเลยแล้วลับพอจับทเบอกว่านั่งรับเขา หน้าวัดสาวน้พพานสังขติดอยู่ภายนอกคุณประตูอาลานิ่งอั้งเกิ้ลเขนคอตกอบหน้าทบสามเมื่อพูดจาโอยเสียใจอย่างหนักเลยนะโดยขณะนี้นะก็มกาะเพราไม่ทําันดีคาวนั้นก็มีที่สุดนี้แม่ติยาครับเข้ามาหาถ้าเป็นเรื่องจิตใจของสองคนนะพอเข้ามาถึงก็ว่าครสองคนนี้ก็ไม่คุยด้วยนะครับเขาบอกว่าดีฉันว่าเจ้าค่ะแม้ถึงสามครั้นะ คนนี้ก็ไมย่ยอมคาตาสายด้วยเพราะว่าเสียใจมากนะครับทิศเมติยาญก็เลยถามว่าทิศมีเมติยาญถามว่าดิฉันกินอย่างไรกับพระกุญจาพระคุณจเจ้าไม่คาตาสายกับดิฉันเพื่อประสองค์อะไรคืจูท่ทั้งสองต่อบว่าก็จริงนะั้นน้องหญิงพวกเราถูกพระทาพาลวุฒเบียดเบียนอยู่เธอยังเพอเฉลยได้ดิฉันจะช่วยเหลืออย่างไรเจ้าค่ะน้องหญิงข้าเพื่อเต็มใจช่วยวันนี้แหละ คุณพรเจ้าต้องพักผ้าบรมศึกนะครับที่ถึงแม่ น, นม ย, ยังก็เลยถามวิธีออยังไงเขาเคยบอกเลยมาเสอะน้องหญิงเคยจนเข้าไปป้ปาคุณพระเจ้าถึงที่ประทับข้าแล้วจงกล่าวคุณอย่างนี้ว่าพระเจ้าขา้าการ น, นี้ไม่มิแม้นไม่สมควร ท, ที่ไม่มีใครไม่มีจังไรไม่มีอันตรายบัดนี้กลับมามีภัยมีจังไรมีอันตรายณสถานที่ไม่มีลมบัด น, นี้กลับมามีลงแรงขึ้น มองฉันถูกพระคุณเจ้าถ้าภาพบุรุษอภิสลาค้ายน้ำผงไปหอมเจ้าค่ะก็ไปฟ้องพระเจ้าว่าถุกฆาไม่ดีไไมปขมขืนไปทำอ่ไนี่นะโอ้มันทำหนักเลยมันยากอันนี้สองคนนี้เขาบอกนี่ก่อนนะอ่าที่จริงก็ไปฟ้องการอย่างนี้เลยครับไปฟ้องพระจ้านี้คุณบวมว่าประชุมสงทรงสอบถามนะครับ พระเจ้กากำลังสอบถามปัสสาวะมนุษย์น er, ่าดูกน th ทัพภาคใคยังไม่กได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมนั้นนะทีนี้กล่าาพระรัมม์ก็สั่งว่าก็กล่าวถึงว่าพระเจ้าข่าทรงย่อมทรงทราบว่าข้าพระเจ้าเป็นฉันฟ้องทัพภาคแห่งนี้ครับพระเจ้าก็ตัดถามสามครั้งปัสสามนุษก็ตอบยืน <month> ่าพระเจ้าเลตอบว่า่อกทัพภา บางเด็กย่อมไม่กล้าแก้ทำปัญหาเช่นนี้ถ้าเธอทําก็จะบอกว่าทําถ้าเธอไม่ได้ทําก็จะบอกไม่ได้ทำเพราะเจ้าข้าตั้งแต่ท้าเจ้าเกิดมาแม้ในความฝันก็ยังไม่รู้จักเส็จเมีถึงทำจะกล่าวไปไยถึงเมื่อตอนตื่นหรือล่ามครับแม้แต่ฝันนี้ม่มีนะครับทีนี้ข้าหลังจากนั้นแล้ว ผู้ะะละองนะครับแั้นผู้ละเจ้าก็ต่างมานะครับดูตอนเรื่อเช้าก็เห็นนั่นแหละพวกเธอจะให้พิสุนีเมจิยาึกเสียงครับแตนน่มีเพราะว่าธรรมดาพิสุนีแมจิยาเนี่ยเป็นพิุนีผู้สีอยู่แล้วครับมือนเป็นปรารกาชัา่วไม่ดีอยู่แล้วนะพวกก็เลยรักษาเปิดจิตพิสุนีแมจิยาคือถ้าผู้เสียเป็นเจตมาถึงจะเป็นปรานชิก น, นะครับทีนี้พิสุนนั่ํกลังจะิดจิต พ, พินีแมจิยานะครับ คามม่เดยมันจะกักรนี่เข้ามาช่วยนครับว่าน้นไม่ได้ติดอะไรพวกผมมีคนไปบอกน้ำใี่ไปใส่น้ายพระพ่างมับุเองนบอกความจริงเน okay. ี่ยองหลายก็เลยแพร่ทอดนะครับว่าอาวุธต้องหลายก้อนนี่พวกคุณจดขั้นพระพางมันบุญด้วยทาทอดถึงประหลาดชิกอันหาไม่ได้แล้วก็รักษาสาภาพทีกอย่างนะครับด้วยผู้มากยส่วนจดแต่เพรแพ่ก็ถึงเปรีบทนาแล้วก็กลับพระเจ้าสองท่ พุทธองปริสงสงตอบามสงอภิเษกสุดพวกนั้นนะแลวก็มีศิษย์ฐานแบบนี้ขึ้นมาไม่เป็นเป็นเข้ามาในที่สีคนนี้ธรรมดาจเป็นคนพูดสิรู้นะรู้นะนี่น่าเบพวกไม่เคยมาตอบ เป็นหนูเรียนก็ต้องสอบเรื่อยๆอะไรแบบนี้อันนี้มีลาญาอฟเอเรอเอถ้าเป็นเป็นเป็นเป็นพักพัสาย ในั้นเจีข้อท็จริงสองนะครับในขั้นสนี้ขอความจะเป็นงอกในธรรมวินัยของพระสมาสิทธจ้าจงแก่บทุหลายด้วยการทุกท่านเถิดทีนี้มาดูข้อเมื่อวานนะครับการขาน่าแต่งสองข้อดี่ยกอธิบายทุตขโทสิกขาบก คือ้าบทนี้ว่าเรื่องอะไร น, นะพิสูจนเก่นะพิสูจนก่ไม่พอใจนะตามจบี่สุจอื่นด้วยแบบปราลาชิดไม่มเรื่อ ง, ง, องนี้ก็คือเรื่องของพระจ า, ามบรมบุตรที่ถูกพ้าเมตยักย์มัตมชาตะาซึ่งเป็นพระศรคีชั้นหัวหน้านะครับสอคนนี้นะโจ้ด้วยแบบปราลาชิดไม่มีแลวก็มีการสอบสวนเั็นแรกเลยรู้ว่าเนี่ยเรืองนี้เขาไม่พอใจโจ้แล้วก็ไปโจ้หาลั นี้มนูธรรมที่บายคือท่าอธิบายสุชาติบทที่แปต่อไปบทว่าทุดโถโทโสคือเป็นผู้สุกโธสัต์ปพุทธะร้ายและเป็นผู้ปฏิบัติเพราะนั่นจะแยกมาสองสังกัทุดโถดยวหนึ่งโทโสดีวหนึ่งุดโถแปลว่าผู้สุกโธสัตตปพุทธะร้าส่วนโทโสก็ผู้ปฏิสลติจริงอยู่เมื่อโธสัตต์เกิดขึ้นแล้ว บุคคลชื่อว่าถุงโทรศัพนั้นประทุสลายคือให้ละความเป็นปกตินะครับใจที่ปกติเป็นผวังนะหรือว่าเป็นกุศลไป่ได้นะแต่นี่ครับมลาละความปกตินะกลับมาขุ่นข้องนะครับสบายใจเดือดร้อนนะเรืวว่องนั่งโทรศัพทที่เกิดขนะึ้นเนี่ยโทรศัพท์กเรยอยกว่าประทุสลายนะบุคคลนี้นะเมื่อมีความโกรธหรือเพื่อก็ถูกความโกรธนั่นประทุสลายครัเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าชุดหั ผูดถึงบุคคลชนะและบุคคลนั้นย่อมทําให้ผู้อื่นพินาศเมื่อเตือนถึงทุคคลชนะใชครับเตือนว่าจะไปพิชิตชนะคนอื่นต่อนี่นะนก็เลยได้็นโฮโซนะครับเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าโทสต์ตามที่บานมานี้คาว่าโฮโซโฮโซนั้นเป็นคนนําแสดงบุคคลเดียวกันโดยความต่างอาการคนเดียวกันนะครับ อย่างที่ท่านบอกมาได้นะมันจะเวราคนโกรธขึ้นมาเนี่ยและต้องการไปทำร้ายด่าว่าหรือทำรายตีที่มันครับเ้าไม่ได้กูหรือไม่ได้ทำก็แ้แต่นะแต่โทสะที่เกิดขึ้นในใจน่ก็ทำร้ายเขครับเหมือนว่าบุคคลที่โกรเนะี่ยและก็ออต้องการเอ า, า, านะบุตรละนะไอ้ที่มกระปอกนะครับไปปางใครคนถึงใช่ไหมแต่ในนี้ก็ <c oughs> ตอน้นแหละต้อง จ, จาจะาะก่อนนะ ความที่เพื่อนน้านคือประเด็นนะครับควจะเพื่อนไม่มเรื่อเไม่ขี้นเพื่อนเพื่อนกนะครับ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น่นี่นี่นคือเป็นผูนีว้นจากี่ี่นี่นี่นี่นีนต่องครั่อธิบา่ว่าไม่นะีบนี่นี่นี่นี่นนนี่ม่นี่น่นอะไรนี่นี่น่นี่นี่นนีน ที่แปลว่าโจทย์เรื่องประสาชิตไม่มี ม, มูลไ ม, ม่ความว่าเรื่องใดที่ผู้โจทย์ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้หลังเกียรในพิสูจนผู้ถูกโจทยเรื่องนี้ชื่อว่าไม่มีมูลเพราะไม่มีเหตุแห่งการเห็นการได้ยนินและความหลังเกียรนะเดี๋ยท่าจะอธิบายให้นะ่นนนนามไม่มีมูลเหมือนเป็นทีน่สูตรนั้นจะต้องบังปรารถิตก็ตามไม่ต้องก็ตาม การต้องอ่านับบนี้และต้องอานแบบของพิสูจน์ผู้ถูกโจมนั้นไม่เป็นปรมาในศีลสามบทนี้ถ้าใครเอาฉบาาาาับใหม่กระดาขึ้นหม่เข้ามานะท่านจนานําแนกกันอย่างนี้นะครับจําเลยคือผู้ถูกโจ้นะจะเป็นประราชิกหรือไม่เป็นประราชิตก็แล้แต่นะครับถ้าผู้โจรสําคัญว่าจําเลยบริสุทธิ์นี่นะถ้าผู้โจรสําคัญว่าจําเลยบริสุทธิ์นะครับ แล้วก็ไปโจทเรื่องแบบปราชิดไม่มีมูลเนี่ยผู้โจดก็จะต้องทำแบบทั้งทางเศษในข้อนี้ครับเมื่อวัตถุโจดเรื่องนี้นะใช่ไหมถ้าเขาไม่เป็นปลาชิดเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่มีมูลอะไรที่มันเาอันก็ไปโจดเขาอันนี้ก็าชัดเจนนะแต่ถึงแม้เขาเป็นปลาชิแล้านก็แต่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องกำลังเกิดสงสัยนะข้าโจดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ไปโจดเขาด้วยแบบปราชิดไม่มีมูลนี่ที่เเป็นแบบทั้งทางดีเศษ ท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นประมาณนะผมนันจะต้องหรือม่ต้องไม่มีปรอยู่ที่เรานครับว่าเรามีมูลไหมนะถ้าจะว่าข้อบริสุหรือเปล่มีมูลก็คือได้เห็นได้เห็นได้ยินหรือว่าได้รังเกียจเ๋็นท่านจารที่บ้านว่าเป็นยังไงเห็นจัดจานเลยครับรังเกียจที่จะว่าระบายนะจ๊ะ นี้จะมีความขบานนะตอนนี้นะผมเขียนไว้ให้นะครับว่าจาเลยเป็นตลาชิหรือว่าจำเลยเป็นปลาชิกนนะโจดสำคัญว่าบริสุทธ์นะครับถ้าเปโจดไม้จะให้เคลื่อนที่นี้นะครับการไปโจดกคือโจดหม้ให้ให้เขาเคลื่อนจากคมจักคือต้องการให้แกจากจักรอไปนะครับอันนี้ไห้เขารู้เรื่องต้องหมักคาร์ินเซแต่ถ้าไปโจรื่องไม้จะด่เป็นแบบปั่นตีนะครับ อันนี้จเจตนาต่างกันหนอาบักต่างเลยนะครับกรณีเป็นสัเศสเพราะว่าต้องทการให้เคลื่อนครับต้องการดีามันไปดีแต่ว่าถ้าจําเลยเป็นผู้บริสุทธิ์เราบริสุทธดีๆนไม่ได้ต้องประาชิตอะไรเลยโจ์ไปสําคัญผิดเองว่าไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไปโจดไม้ใช้เครื่องพมจันทอันนี้ไม่ต้อ ง, บงอบรรมเลยนะครับพ่อนะไปสําคัญไม่บริสุทธิ อาจจะไปเห็นได้บินหรือว่าอะไรข้าอย่างนคะครับจะเข้าใจผิดอย่างนี้นะใช่ใช่ถ้าเข้าใจผิดเขาก็ตั้งใจแหละก็เลยไมต้องอานบัเลยแต่ว่าถ้าหมายจะด่านะตัง้งขั้วเงินไปทนี่ยขั้เลยใช่ <c oughs> <c oughs> แต่นี่ถ้าจะมีมูลอาจจะอะไรข้งอย่างนะมีคนมาเล่าบ้าอะไรบ้างนะก็เลยเป็ น, นี้สามจำเลยเป็นประอาชิตสำคัญวบริสุทธิ์นะครับ สำคัญว่าไม่บริสุทธิ์นะโจทย์หมายให้เคลื่อนนี่ไม่ต้องอ่านบัตนะครับเพราะว่าเป็งประชิดแล้วแล้วเขาจะอย่างนี้นไม่ต้างรู้นะแต่ถ้าหมาจะนานไปทีถ้าจําเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับโจ้ก็เข้าจะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่กลไม่พอใจหมายให้เคลื่อนอันนี้เป็นงานพินเศถ้าหมาจะนาเป็นการตีก็จะแน่เป็นสีนี่นะด่าแปลกเขาด่าว่าภา แต่ว่าไม่ไปไม่ได้ใส่ท้ายคุณตาต่คนนั้นเลยตาคนนั้นเลยไม่พอใจถ้าบอกตรงนี้ว่าเรีนงานี้ต้องเป็นอะไรนี้เองก็ไม่ใช่แต่ตรงนี้เลยเกี่ยว่าเป็นโจ้เขาเองหรือว่าใช้โจ้ต่อหน้าด้วยนะครับต่อหน้าด้วยไม่เกี่ยวกับบอกคนอื่นไงเดี๋ยวฟังฟังหรือแมาทธิบายเจ็บทำอธิบายอยู่หน้านี้อันนี้ต้องมีข้อแม่ ที่งาดูมูลที่ก่อก็ในมูลเหตุเหล่านี้ชื่อว่ามูลเหตุที่ไม่ได้เห็นคือไม่ได้เห็นด้วยจักรพรสาิหรือด้วยทิพย์แยกจักษุของตอนนะครับไม่ได้เห็นเลยนะจะตาเนี้ตาที่ย์ก็แล้แต่ไม่ได้เคยเห็นเลยว่าเข้าไปเสรในถุงรูปไปลักษณะอะไรนะครับวิว ด, ดีก็ว่างหาด้วยเฉยๆนี่นะอันนี้ชื่อว่ามูลเหตุที่ไม่ได้เห็นนะครับและชื่อว่ามูลเหตุที่ไม่ได้ยิน คือไม่ได้ยินใครใครต่า อ, อย่างนั้นนั่นแหละครับเกี่ยวกับการได้ยินเนี่ยไม่ลหมายว่าตัวได้ยินเองนะตัวเองได้ยินคนอื่นเขาพูดมาครับคขาพูดหรือเขาเล่ากันับว่าผ้าคนนี้ยไปทำอย่างนั้นองนี้กับผู้หญิงมีอะไรนี่ครับนะไม่เป็นผ้าแล้วที่ได้ยินมาแต่ไงตัวนี้ไม่ได้ยินเลยครับไม่มีใครมาบอกมาเล่าเนยะไม่ได้อะไรไมาเลยก็เชื่อว่ามุงเห็นที่ไม่ได้ยิน คือว่ามูลเหตุที่ไม่ได้ลังเกียจนะครับผมบอกว่าอยู่หน้า495ครับแล้วจริงทำพยากรณ์ได้ยังอยู่แล้วครับมูลเหตุที่ไม่ได้ลังเกียจนะครับคือที่ไม่ได้ลังเกียจด้วยการเกิดจากการเห็การฟังการได้ฟังหรือรู้ด้วยตนหรือจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นที่สุดใดขําเครื่องมีโทรศั์ไม่แช่มชื่อใส่ความที่ถูด เด้อยแบบปราชิปที่มันม่มีเห็นตานนะครับอันนี้ยนทะ่านอาจารย์ที่บาตานี้อละเอียดเลยนะครับว่าอธิ่าลังเกียร์เป็นยังไงได้เห็นหรือว่าได้ยินเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับรทีนี้กี่บาลังเกียดครับท่านบอกว่าคนอื่นได้เห็นคนเองได้ยินคนอื่นได้ยินคนหยิบได้ลังเกียร์ตั้งอยู่ในหานะว่าตนได้ยินเทานนน่านั้นอันข้ามบอกทีครับ เกล้าเกลียวสามอย่างท่านก็ยกตัวอย่างมาครับว่าเป็นยังไงก็มีผีสูรรูปหนึ่งเข้าไปยังผุ้มไม้แห่งหนึ่งบ้างด้วยการขวิดเจ้าและปัสสาวะขาวผัวนะก็เลยเข้าไปนะปวดทุกนะครับยิงแม้คนใดคนหนึ่งก็เข้าไปยังผุ้มไม้นั้นด้วยกรยุทย์จิตบางอย่างเหมือนกันนะและกลับไปอันไปถ่ายมันแหละเนยผุ้มไม้เหมือนกันทั้งที่สูรก็ไม่ได้เห็นผู้หญิง ทั้งผู้หญิงก็ไม่ได้เห็นี่สูจน์ไม่มีใครเห็นกันเลยครับทั้งสองคนต่างก็หลุดปากการชอบใจไม่ได้เห็นกันเลยมองผู้เดการจริงแต่มาเข้าโครงการใช่ไหมครับแล้วมก็ไม่ได้ติดการจะมีไม้ขันนะี่นที่สืจนรูปหนึ่งกฎหมายเอาอาการที่คนนั้งสองออกประจับผู้ไม้นะั้นเห็นไหมนี่ท้อาออกไปขึ้นออกไปจร่งมันเขียน ว, ว่าชาวเหล่า น, นี้นนจะทํากรรมแ้วหรือละทํากรรมแน่แท้นี้ ชือวรังเกียร์ด้วยได น, น, นี่นะอะชืรังเกียร์ด้วได้ยินเป็นยังไครับผู้บอกว่ า, วาคือคนบางคนในรอบนี้ได้ยินคําประหลิสนฐานเช่นนั้นของพิสุกประมาณตุกตามในโอกาสที่มือครับเวลา ง, ใ น, ใ น, งนะนี้มืดครึ่งค่นะไยนเสียงแทะกับผีคุยนะครับไอ้ีอก่กระสิบกระซาบ้างครับมีกันนะเหมือนก็มีอะไรกันนี้นะหรือว่าในที่กําบังคนระโอกาสมือหรือว่าในห้องนะกําบังมองไม่เห็นนะ มีสามกำแพงกั้นอ ย, อยนี่คนอื่นแนมะ้อยู่ในที่ใกล้ก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีความจริงเนี่ยในที่นั้นอาจจะมีคนที่สามอยู่ก็ได้ที่พาะผีคุ่กันอาจจะมีคนที่สามอยู่คนก็ ไ, ได้อันนี้ถ้าไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เห็นนี่ไล้จะเสียงไม่ได้จะเสียงถ้าผีคุ ย, คยกันนะของต่อสองเกิดความมันเกียดว่าคนเหล่านี้ทกำกรรมแล้หรือจะทำแน่นอนอันนี้ก็ชื่อว่าลังเกียจหรือระแวงนะด้วยอำนาจได้ด และอย่างล ำ, ลำเกลี่ยวเรื่องหน้าได้ทราบนะครับก็คืออันนี้ใหญ่นะตกกลางคืนพวกนักเลงเป็นอันมากนะครับที่อเอาดอกไม้หองหอมเนื้อและสุราเต็มต้นแล้วไปยังไมิถานชายแดนกุติหลังตึกท้ายเลยนะเฮ้ยน่าเลยนะครับแทงหนึ่งพร้อมกับพวกสตรีชาผู้หญิงไปด้วยนะครับกลา ง, งค่ำาคืนนะแล้วก็กินว่ากินอะไรกันนะครับ เล่นกันตาสบายที่มนดกอยู่ทีา่าราชนต้นแล้วก็ทิ้งดอกไมน้นะอเล่นกอกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับก็กทิ้งดอกไม้แล้วก็รจแลกลนหนาหมดล้ครับแล้วก็ไปทนี้พอวันนุ่งขึ้นเนี่ยพวกพิกสุก็เห็นอาการแปลกนั้นแล้วก็พานสืบหาว่านี่นนมันจัรอปาะใช้ทำอย่างนี้นะเนี่ทยทำตะกนแล้วเชิญดอกไม้อะไรทิ้งว่าจะกันตาไป ห, หมดนะ ทีนี้มันจะมีพิสูจน์บางรูปเน่ยที่ท่านตื่นแต่เช้าตรู่ครับแล้วก็ไปทำฟารห า, าปัดกวาดที่บณดกนั้นที่นั่งเล่นทุนวันนะหรือว่าสาราฉันด้วยมุ่งวัดเป็นอย่างจําเป็นต้องจับดอกต้องดอกไม้เป็นต้นที่เขาที้งใช่ไหมครับเราต้องไปเก็บไปจับอะไรมานะบางรูปต้องทําการบูชาด้วยดอกไม้เป็นต้นที่ตนนํามาจากตุกุฎปฐาบางรูปต้องดยาดองเชื่ออริษหาเพื่อปัญญา ยาดองนี้นะครับมันมีสีมีกลิ่นคล้ายถิ่นลแต่ว่ามันจะ่ถิ่นลาเพราะดูแลไม่หมอนนะครับแต่ถ้าก็ไม่รู้ว่าไปได้กลินป่าก็ะจะเขาใจว่านี้ถึงลาแต่ว่ารูปนี้ใครจะปวดต้องหยุดยาหรือถานะครับครั้งนั้นโคฟิสุหลังนั้นเสดหาว่ากรรมนี้ของใครใครทำ น, นี้นะจึงดองกลิ่นมือและกิ่นปานะครับไกลนี่ยิงกลิ่นดอกไม้เนี่ยก็ยิงกลิ่นลานะครับ จึงังเกียบวิสู่เหล่านะนี้ชื่อว่าลังเกียบเ้วยอำนาจได้สามตรงนี้นะมีของลังเกียบครับนะแต่ถ้าไม่มีอะไรนั้สามอย่างนะก็ชื่อว่า<ม>บ่นว่าปาราชเกนะแปลว่าด้วยอาการอย่างไรอย่างหนึ่งใ น, นประดาอาการสิบเ้าอย่างครับซึ่งสมควรจะพิจุเนี่ยโจทย์ว่าแบบปาราช ก็มีอะไรนะก็ไปโจดว่าเนี่ยคือถ้าไปโจดนะท่านเป็นปราชิกแน่ที่ไปเสกเมทูลิเนี่ยมันโดนแน่ๆใช่ไหมครับแม้ใช้คำอื่นนะที่ไม่ได้ว่าปราชิตโดยตรงแต่เป็นคาที่สื่อให้รู้ว่าคนนี้เขาเป็นปราชิกนะครับเอเมนเช่นไปว่าเนี่นะครับท่านเป็นผู้ผู้ศีมีทำเลมีสมาฐานไม่สะอา หน้ารังเกียรมีการงานซ่อนและไม่ใช่สมณะเป็นต้ น, นครับอันนี้หมดเลยนะเนี่ย <Yeah. S 2> ของพระมหาปฐุมเถระท่านยกมา19้าบด น, นครับท่านเป็นคนชั่วเป็นสามเณข้อเป็นสามเณรข้อเป็นมหาอุบาศกเป็นผู้ประกอบวัดแห่งเจ้าแม่กาลีเทศีผู้กระเสิเป็นนิคนอันชีโรกดังบุปริพาชบบังดอกรยะสังวานะครับเป็นต้นนะและสิ้าบด น, นะ ที่เป็นคําบอกว่ามันไม่เป็นพระรนะครับคํานี้นะบุ๋มมัได้เป็นพระอนินทรชีนี่นะอันนี้ก็เป็นนครับเพราะว่าย่อมสูงที่สุดนะเป็นหลักการส่วนในบทภาชนีท่านหมายเอาปรนทาชีสี่ข้อที่มาแล้วในอินทรชีกุเทฆ์จึงกล่าวว่าบรรดาแบบอินทรชีสี่ข้อนะข้อใดข้อหนึ่งคําว่าอนุทางเสรยยะ ที่พูดว่าพึงโจงพึงตามโจงนะแปลว่ากล่าวหาคือใส่ร้ายาไม่แก่ใส่ฟ้าก็การใส่ความนะั้นทอดถึงพิสูดจะกล่าวหาด้วยตัเองก็ดีให้ผู่นกล่าวหาก็ดีทําการใสค่คานะครับฉะนั้นในบทพาชีแห่งบทว่าข้อนี้มันเป็นสาติกะ น, นะครับโจเองก็เป็นใช้พื่นโจก็เป็นอาบัตเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่พ้น สารติการนี้มันจะดูที่อนะออนไแน่5ร้อยหนึ่งอันนี้5ร้อยหนึ่งหที่ก็ได้หร้อ้หนึ่งอย่างนะ่า้า็จะที่บอยครับนะประสี่สี่แหลอบ่นว่านะครับอนุทังเสยยะนั้นท่านจึงกล่าวว่าใส่ความก็ดีให้คุณใส่ฟางก็ดี ในข้อนั้นการใส่ความโดยย่อมีสี่คือถ้าสรุปแบบโดยยอ่อนะในใส่ความเื่าโจและในสามแบบแลสี 3, 4, 4, ่แบบนะครับหนึ่งการสแสดงวัตถุสองการสแสดงอ า, าหมัดสามสาการห้ามห้ามคำว่าสี่การห้ามสามมิติกรมในสี อ, อย่างนั้นการสแสดงวัตถุคืออาการที่เป็นไปโดยในว่าท่านเสร็จในถูกนี่ไปโจนี้เลยนะ เอาท่านเสร็จไปถึงแล้วนะเนี่ยนี่ไม่ได้ถามในไปโจ้เลยนะครับท่านเสร็จไปถึงแล้วท่านไปรักของคนอื่นท่านไม่ใช่พ้าดแค่เนี่ยไปรักซ้านะครับท่านอุตรีเนี่ยถ้าเรียกว่าโจดแบบสแสดงก็ถูก น, นะครับรถือว่าถูกของปา็าชีต น, นะเรื่องเขาในนี้นก็โจดเสร็จข้ารู้เรื่องก็ตระลึกเสร็จเลยนะครับทําไปอนที่สองการสแสดงอามัตคืออาการที่เป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า ท่านต้องาบัติเพราะการเซนเมทุหรือว่าท่านเป็นปราชิตแล้วท่านเป็นปราชิตเพราะว่ารักมุย่ยนี่เป็นต้องอออมาดูพราะเซนเมทุเนี่ยนี่เรียกว่าแสดงอาบัติสองข้อเนี้ยนะพอพูดจบเขา้ารู้ความนะครับก็เป็นธารดิเศษได้เลยต่อไปการห้ามสังว่าคือการห้ามที่เป็นไปอย่างนี้ว่าการทำอุโบสถก็ดีการภาวนาก็ดี สารกรรมก็ดีกับท่านไมึ่งเนี่ยจะโจรย่นี้นะนนะเมื่อโจรอย่างนี้แล้วนะครับานบามบัตยังไม่ถึงที่สุดนะอันนี้อ่ามบันี้ไม่ถึงที่สุดนะนี้เริ่มเป็นาานามบัตนาดิเศษทีเดียวนะต้องพูดอะไรมากกว่นี้ครับถ้าบอกว่าเมื่อพูดเชื่อมต่อความเป็นต้นว่าท่านไม่เป็นสมณะไม่ใช่เราก่อแห่งสกฤตบุตรต่อที่ผู้นไปเ น, นี่ยจึงเป็นาานามบัตนาดิเศษ เพราะว่าการทำบุญส่วนตัวนะอะไรไม่มีจากท่านเนี่ยไม่ต้องไปว่าต้องเป็นปราชญที่อย่างเดียวใช่ไหมครับแม้ที่สูงสุดยกยกวันนะก็มาลงงานกรรมแบบผสมไม่ได้คเพราะนั้นจงไม่ย้ำในระบุปราชที่เดียกตรงนะต้องมาเชื่อมต่อทอนหลังกันท่านไม่ใช่สมณะแล้วเนี่ยต่อไปการห้ามสามกิจกรรมคือการไม่จะทําการที่ว่า การรูปขึ้นรับการว่าการ่ันมีเป็นต้นการไม่กระทําใส่สามมิรรมนั้นวพิสุนภาษามากกว่าครับจะเป็นตาสตุกะหรือภาษิลอุบาจกระแสงนะครับอันนี้นะไม่ยังทําสามมิจจำเพิ่งสร้างในเวลาที่พิสุผู้เมื่อจะกระทำการว่าเป็นต้นตามหลักภาษาไม่จะทํากับพิสุรูปอื่นครับ เคยีพากษ์บรรยากาศมาเนี่ยสักหารูปใช่ไหมครับภาษาพากษสียร่างหมดเลยนะเคยพระนวั ก, กะเนี่ยว่าให้สีรูปครับทุกสุดท้ายไม่ยอมว่าหเราเว้นไว้เนี่ยเว้นไว้อันนี้ก็คือว่กากระจายโจกแล้วนะครับโจกแล้วน ะ, ะมีใจว่าไม่ไว่เาเพราะว่าเนี่ยคนนี้มันปลาชิกมากๆนะครับมีใจอย่างนี้ถ้าไปสอที่ <c oughs> นั่นไม่ไว่านี่คือการโจกย่างยังแต่ น, นีอันนี้แค่นี้แค่นี้ยังไม่ถึงที่สุดหอกนะครับ นะถ้าอกว่าแต่กลับทํากับวิสุรูปที่เหลือก็ด้ยการทําเท่านี้ชื่อว่าโจทละครับช่วยบรรจุแล้วนะแต่ยังไม่ต้องอาบัติแต่ก็ต้องมีใจนี่จริงใจที่มันจะโจดนะแต่ก็ยังไม่ต้องอาบัติต่อเมื่อถูกถามว่าทําไมคุณจึงไม่ว่าผมผมว่าพาเรเถระเ น, ในี่ยเลี่ยสงสารั่นเยอะแนละ้วเคยไม่ยอมว่าหน่ะครับดังนี้แล้วกล่าวเชื่อมกับคําว่า คุณไม่ใช่สมมณาเป็นต้นอาบัติชื่อว่าถ so. ึงที่สุดต้องอาบัติเนี่ที่ผมไม่ว่าท่านเพราะว่าท่านปรารถนาแล้วท่านไม่ใช่พระแล้วนะครับอันนี้อันอย่างนี้ก่อนอันนี้ก่อนเนี่ยครับเมื่อพวดอย่างนี้ก็จะเป็นการทีเสร็จนะครับมันก็มีหลายเรื่องตอนสมัยเรียนอาจารย์ผานไล่สัครับบอกว่ามี y o u ผู้หญิงคนหนึ่งแกไปนอนวันนะครับเหมือนนั้นนะ แล้วก็โทรไปนอนบ้านนะครับนั้นก็ขอขอเข้าไปนอนในห้องกับพระหนึ่งเฮ้ยครับขอเข้าไปนอนในห้องอ ก, กับพราใหูปนี้จะกแอบไรกลัวผีครับนออยข้างนอกไม่ได้บนเตียงกลัวผีครับขอเข้าไปนอนกับพรด้วยพระก็ม่ยอมเข้าไป <c oughs> <c oughs> ในห้องนั้นนะคะีครับเพอยู่ห้องไม่ได้นะกลัวและไม่รู้มีอะไรบ้าง น, นะมีอะไรกันเมีก็ไม่รู้นะครับถึงแค่ไหนแล้วก็มรู้ไม่ได้เลยมัน ทีนี้ก็มีโยไม่ก็ลูกขานะครับข้ารุขาอยู่ทีู่นี้นะครับเป็นอนในห้องพก็พอมาเจอทรานี้จะไม่ว่าครับไม่กะไม่ว่าไม่คาสารมินชีกองเลยนะเพราะว่าเหว่าท่านไม่ใช่พระนะครับนั่นแหละรักงหนาาจ๋นะแต่นั่นโยว่าคำกับพระนะครับไปถามพระเขาเลยแต่ถ้าพระคำหน้าแล้วก็แล้วก็มันพูดว่าท่านไม่ใช่สมณะได้ก็อย่างี้รับข้อว่า ็ S <S ว่าปไปมีอ<ต>ออะรเแต่ความจริงนะอาจจ ะ, ะ ไ, มไม่ใช่แต่ความจริงนะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ถ้าของเป็นเป็นธาตุนะครับถ้าเป็นธาตุาาาทย่โ จ, น, จ น, นี้นะก็ยังไม่ต้องสารเสพเพราะว่าอะไรมีความระแวงเออะระแวงด้วยการได้ยินใช่ไหมครับหรือว่าได้เห็นนี้นะอันถือว่ามีมูลในธาตุนั้นนะเรื่องมางที่ถือว่ามีมูลแต่ธาตุนี้คือไม่มีมูลและต้องการทหารเรื่องเฉพาะนะครับแต่เมื่อกืนไม่เปิดนี่เปิด เพราะฉะนั้นพิสูจนได้ให้พิสูจผู้ดีตนจะโจดอยู่ในสถานที่ได้ประมาณสิบสองสอบแต่เ น, นี่ยต้องได้ตรงนี้ด้วยครับถ้าโทรศัพท์โจดนี้ไม่เป็นนะ่เพราะนั่นํา็นระยะเลยนะครับําหนระยะเลยนต่อหน้าอะไรครับหงไม่ดีแหละเ <c oughs> มื่อจแสดงเนื้อความนั้นด้วยคําว่าท่านเสร็จใีถึงดังนี้ก็ดีด้วยคําว่าท่านไม่ใช่สมณะดังนี้ก็ดี เพื่อการบอกบ้างก็ดีใช้ภาษามือก็เป็นนะครับนะภาษามือนนถ้าใช้ภาษามือครับจะโจทย์เองก็ตาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนันดานครึขับหรือบัมบัญคิดโจทย์แทนก็ตาที่สุดนี้ชื่อว่าใส่ความน ะ, ะออตอนนี้นะะเราต้องดูให้ดีนะเพราะว่าโจทย์เองน่ะก็คือไม่ยากนะครับให้ปุนโจมานเพราะว่าอยู่ในหลัสอตรที่ ส, สองส อ, งสองกันนะร่างที่อยู่ใกล้ๆกักนนั้นนะครับ มันจะมีสามคนใช่ไหมคนที่ถูกโจมมีเราแล้วก็ค น, นี้เราใช้แล้วก็ใช้คนที่อยู่ใกล้ใก้ที่อยู่ตรง น, นั้นแหละนะครับให้ไปโจทมท่าเ น, นี้ที่ก็อยู่ตรง น, นั้นได้เขาไปโจมและจะมีสองสอบนะครับอนีนะที น, นี้ผู้ที่ใช้นะครับต้องมอบัญชาพิเศษจุดนึกตาที่ไม่มีมุมนะผู้ที่ถูกใช้ต้องไหมครับไม่ต้องนครับแต่ว่าผู้ที่ถูงใช้เนะี่ยจะต้องก็ได้ ในกรณีว่าพอไปเจอข้อจริงๆอ่ะก็พูดทํานองว่าตัวเปรูเองเห็นเองครับไม่มีใครใช้มาผมว่าเห็น น, ะ น, า น, น, านา่าจะเป็นคำไม่ใช่ประราชิครับหวังว่าพูดว่าตัเองเป็นไปเห็นไปเองทีท่าทามาเนีครับเนี่ยทำนองนี้ไหมทีนี้ถ้าท่านพูดใจพูดอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องทําเสื่อม่ยนะครับแต่ถ้าไปพูดแบบทาตามหน้าที่อย่างเดียวนะไม่ที่ว่าตัวเองเ ป, เปรุเป็นเห็นเองนะครับไหนนี้จะโดนพ้อพูดที่ใช้ า่เ ส, ส, สบอกว่าเนี่ยใช้โยมใช้ผ้าใช้ในอะไรก็หล้แต่นะไม่ได้ทั้งนั้นนะครับก็โดยหมดเลยในเรื่องเนี่ยในเรื่องสองคนไม่ได้จ์เองใช่ไครับแต่ไปใช้พิิณีเมติยานะให้ไปจ์ประภาพธรรมนบุตรนะครับแต่ว่าสองคนนั้นไม่เป็นพ่ออะไรข้าราชการใัญ่นี่ครับอธิกรรมที่จัานก็มีนะต่อไปมาดูท่านอันนี้ มโนน่าแปดสิบสี่ข้อว่าอเปวะนานะนาหิมะฐานพรหมเจดีย์ยานชาไว้ยังปาว่าฉะไหนหนาะเราจะพึงกับเราจะจำจักที่สุดนี้ออกจากการประพฤติอันประเสริฐนี้เคือต้องการเพื่อนเพื่อนจะพรมจัดต้องการเสร็จไปทําะไรดีเนี่ยมีใจประสงค์อย่างนี้นะนี่เป็นความประสงค์นะครับขยายความว่าที่สุดพึงใส่ความด้วยประสงค์อย่างนี้ว่า เป็นการดีแท้เนอะถ้าเราจะกําจัดพิสูจนี้ออกจากภูมิจักรนี้องคาความที่ชั่วมากนี่ต้องการให้เขาขึ้นออกไปนะหรือว่าถูกจับศึกไปนะด้วยเหตุ น, นั้นท่านหมายเอาความประสงค์ใช้ขึ้นจากภูมิจรย์อย่างเดียวชื่อว่าปฏิษษษษษษเสธความประสงค์ที่เหลือเจ็ดอย่างเพราะความประสงค์ ม, มีแปดใ่ประสงค์ไขึ้นในภูมิจักรนี้ข้อหนึงแล้วก็อีกเจ็ข้อที่เหลือ คือความประสงค์จะนาหนึ่งความประสงค์จะทํากรรมหนึ่งความประสงค์ให้ออกจากอาดหนึ่งความประสงค์จะงดอิมสถ์หนึ่งความประสงค์จะงดปรมานาหนึ่งความประสงค์จะสอบสวนหนึ่งความประสงค์จะกล่าวทำหนึ่งครับก็รวมกับประสงค์ใช้เครื่องนั่ก็เป็นแปครับทีนี้เกี่ยวกับไอการไปโจดนะครับความอตามความประสงค์เหล่านี้นะ มันจะมีอยู่สามข้อที่ว่าเม э ื e shower, ่อไม่ขอโอกาสและก็เป็นโจรนะจะต้องแบบทุกกฎเขาไม่ขอโอกาสด้วยก็เกิดข้อแรกเนี่ยประสงค์ที่ให้เพื่อนพมัญจรเนี่ยไม่ได้ขอโอกาสก่อนนะผมขอโอกาสนะม่านผมขอโอกาสเขาคุยด้หน่อยไม่ได้ขอโอกาสนี้นะครับต้องการให้เพื่อนผมัญจรนะก็เป็นทุกกฎทั้งทันทีเสร็จนะประสงค์เจรจาไม่ได้ขอโอกาสปรสงค์เจรา จะเป็นทุกกฎแล้วก็ปันตีใช่ไหมครับประสมจะทํากรรมไม่ได้โจ้นี่ก็จะเป็นทุกกฎนะทุกกฎเพราะเวลาทํากรรมเนี่ยต้องมีการโบกนะครับนะต้องโจกเขาก่อนต้องขอโอกาสนะแล้วก็โจกท้องและเขาให้การนะครับแล้วก็ทําตามปัญญาจะไปใช้อะไรปุ๊บปั๊บหน้าพอมาสวดลงกรรมอะไรทีเดียดไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องมีการมาฟ้องสวดนะ ขอกาถามแล้วก็ให้เขาเต่าข้อนั่งกครับตามตริญกเนี่ยถามข้อนี้นะถ้าไม่ขอโอกาสเป็นตัวอ้างบัตรทุกกฎพราะไม่ขอโักด้วยอส่วนข้อที่เหลือฮะตั้งแต่ประสงค์แค่ของฌานบัตเนี่ยพวกนี้ถึงไม่ได้ขอโอกาสก็ไม่เป็นครับเห็นใช่ว่าถ้ามีใครสรุปเนี่ยต้องการไปโจมถ้ารูปอื่ที่เราเข้าใจว่าท่านเป็นอ้าบัตรจริงๆนะ ความเชื่อท่านเป็นอาบัติจริงแล้วท่านก็ไม่รู้นีนะครับเราไปโจย์นะครับไม่โจดเพื่อหาเรื่องนะโจทย์เพื่อท่านออกจากอาบัตรเพื่อ ม, มีอาบัติตัวแต่งท่าเหมาอนอะไรยังไม่รู้เรื่องนะครับเราก็เป็นบอกไปกล่าวมิน ะ, ะด้วยอาบัตินะครับอันนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขอโอกาสก็ไม่เป็นอาบัติเพราะความประสงค์ใช่เขาค้นจะอาบัตินะครับ <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> ใช่ความประสงค์ดีแล้ว นี่แล้วก็ประสงองงดบวบสวสดภาวนานี้ก็ไม่ต้องขอสักก็ได้งดบวบสวปภาวนาในข้องดอุโบสวสดภาวนางดพิสูจที่มีอาบัติเตือนว่าแกไม่อยอมฟองอาบัตินี้เสร็จคีอยู่บ่กให้ปองก็ไม่ปองทละก็ไม่ฉลาดนะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องขอสักก็ได้งดไปเลยนะับงดไปเลยแต่ว่าจะงดได้ตอนไหนตอนที่ยังตั้งเยึติดยังไม่จบ น, นะครับทีนี้จึงมีมพันใจตั้งโข อุจโบสัทโธเป็นปนัโเยจิสังสตตะปตะพลังสังคโคอุปสัททังตะเลยะนะครับก <c oughs> ะเลนะตั้งแต่ชินาตูเมนะมาถึงกะเลตรงนี้นะครับทะเละนะตรงนี้ยังงดอุโศดได้นนครับงดอุโศโปนานนะแต่ถ้าเลยกะเลมากนะจนมาถึงแยกสอง น, นครับอันนี้งดอุโศโปนานไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องสวดไปแล้วนะต้องนั่งกล่องนานนะครับ แต่ไม่เป็นอบาบัติเพราะว่าไม่ขอโอกาสและประสงค์จะสอบสวนนี่ก็ไม่เป็นประสงค์จนะสอบสวนคยอนนี้สงสัยนะว่าเขาทำในเรื่องนี้ใช่ไหมนีหนึ่งลา้านสองพันประสงค์จะสอบสวนความจริงอันนี้ก็ไม่เป็นเกินประสงค์จะกล่าวํานี่ไม่เป็นอยู่แล้วเขาบอกว่าพ่อใหญนะ่จะมีมันไหมนันเรื่องตังแม้มพระธรรมคัมกีร์ผู้นั่งอยบนธรร ม, มากล่าควคำไม่จอบตรง โดยนายเป็นต้นว่าก็แสดงคําไปได้ไหมไม่ได้ว่าใครนะครับก็แสดงที่ไหนก็ได้วยว่าที่สูตใดจะทําอย่างนี้นั่อย่างนี้ที่สูจนี้ไม่ใช่สมณะครับเ า, า, า, า่าไหนก็ล้วแตนะทิพย์ละขโมยอะไรไหนเะงินทองเท่าได้ใหา้มาสอบนะค ร, บรับหรือปิดเสรเมืถึงกระทำมนุษย์นะี่พิสูจนลักษณะนี้ไม่ใช่สมณนะแน่นโยกให้ก็แสดงครครับพูดเป็นเหตุเป็นผลในภาพที่ไหนนะอันนี้ก็ไม่ต้องข อ, อกาสใครก็แสดงคํำได้เลย พองมันจะจอบจริงนะครับแต่ถ้าว่าท่านกล่าจอบลงไปเลยที่สุดอง์นู้แหละโยจอบลงไปเลยนะครับคำอยู่ที่นี้แหละไม่ใช่จอมนะ้ไม่ใช่มาศบัง น, นี้ลงสัทธามากแล้วควรแสดงอาบัตก่อนจึงไป <c oughs> อย่างนี้นครับอันนี้ท่านบอกว่าเป็นงานบาอะไรตอนนี้ในการจะอธิบายในที่นี้นะครับนั่นก็ว่า ท่านต่างด้วยความประสงค์ดียแต่ว่าด่ารับหลังนะคนที่เราไปว่าเข้านุ่มนี้นะครับคนนั <S <S ้นก็าไม่ได้หมานั่งต่งครับไม่นี่หมแต่ห้ายประสงจดียประสงจดียรับหลังยังเป็นอะไบัตรผูกดนะครับด่าไม่ได้นะด่านหลังยังเป็นามบรผูกบนะครับดตอนหน้าไปอีดีงานดารับหลังเป็นผู้กบนี่นะครับนี่ได้อะไ ต่อไปนะครับแต่ว่าทีนี้ก็คือประสงค์เรื่ อ, องขึ้นอรมชาติค ว, ว่าตะโตอับตะเรนะสมมัญเ ย, ยนะความว่าในสมัยใดที่สุกผู้ส่งใส่ความในสมัยอื่นต่อจากสมัยนั้นคําว่าสมมุนไพรี่นี้ยมาโนวางความว่าที่สุดผู้สอบสวนจะพิจารณาสอบสวนโดยนายเป็นต้นว่าท่านเห็นอะไรดังนี้ก็ตายเนี่ยสมัญ มนุษย์ไทยย่ากมานุวามนุษยไทยย่ากมานุวานะมีคนถือตายก็ตายไม่ถือเอาก็ตายนในที่นี้หมายถึงว่าผู้ดีสองนะเมื่อไปโจทกคนอื่นแล้วเนะี่ยมีใครมาสอบสวนแกดีกว่านะครับจะมีคนมาสอบสวนหรือว่าไม่มาสอบสวนก็แล้วแต่พออยู่ดีๆรุ่นนี้ก็ไปโจทรุ่นนั้นว่าเป็นแบบปราชีใช่ไหมมันต้องมีการสอบสวนอะไรกันหน้าดูหนังครับพ่อสู้อาวัธหนักอะไรนะโจอาวัธหนักอะไรนะครับ คำ ว, ว่าอัศมวิทยานโยมาโนวาความว่าจะไม่ถูกพิสูนรรูปใดรูปหนึ่งมีผู้สอบสวนเป็นต้นสอบถามด้วยเรื่องที่เห็นเองเป็นต้อนอย่างไรยงอย่างหนึ่งก็ดีครับอ้าวฉันเห็นไม่บ้างว่าเขาไปทำอะไรอย่างนั้นนะเขาจะมาสอบสวนตัวอย่างนี้หรือไม่มาสอบก็แล้แต่พอพิจบนะครับเข้ารู้บ้างก็ต้องพันเศษนะบนล่านี้พึงเชื่อมกับบททาไปว่า พิสุยังยืนยันความผิดอยู่ก็คํานั้นมีอธิบายอย่างนี้ว่าพิสุจะถูกสอบสวนอย่างนั้นก็ตาเขาไม่ได้สอบสวนจําเลยนะสอบสวนโจนะครับว่าที่ไปโจทเข้าท่านเห็นท่านได้ยินท่านรำเขียนหรือเปล่ามีมูลไหมมีที่ท่านไปโจทเข้าน่ยนะครับอจะถูกสอบสวนอย่างนั้นก็ตามไม่ถูกสอบสวนก็ตายยืนยันความผิดนะครับไอตัวนั้นยืนยันความผิดเอง อ, อิอาศัยโทรศัต์กาวหามยอย่างนั้นต้องบัตรสังขาพิเศษพอนย่างขั้นใจชี้าปคนะยมนยันความผิดนี่ก็คือยืนยันว่าตัวเองเอ่ยผิดจริงๆครับแก้ตัวนะ ว, ว, ว่าผมพูดเล่นเฉยมีคนมาสอบสอวนแล้วผมพูดแน่นผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ฟังตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นนะตั้งใจว่าอะไรเป็นพี่นี่ใช้เคลผมมาจากเล ย, ยนี้พอมาถึงสอบสวนสอบอ <c oughs> สวนมาก็เลย แก้ตัวว e, no ่าท <laughs> okay. ี How ้เล่นเล่นของเขาไม่ไดถึงหลายมากหรอกอย่างนี้ก็ไม่ค้นนะโดนมาแล้วนะครับแค่ฆ่าเวลาใช่ไหมัวอุจจารีมาเป็นความรู้เรื่องก็โดนไาแล้วนะครับจะมาแก้ตัวทีหลังก็ได้ไม่ได้นะจ๊ะ อาใจที่สองแรกครับใช่ครับคำคบอันนี้เหมือนกับว่าแก้ตัวครับแก้ตัวใช่ไม่มีความหมายคำแล้วก็ออนหนึ่งคำนี้ขั้นกล่าวเพื่อจะแสดงความแปลงกฎเหตุที่ไม่มีหนูครับจีกอลเราผิดนะครับบอกเขาขุดเล่นเน่ยก็แสดงว่าที่แกพูดเป็นสิ่งที่ไม่มีหนู ก็ไปสือต้องอามบัดในขณะที่ใส่ความนั่นแหละในบทว่าอมูลการเจวะตามอธิกรนังโหตินะครับอธิกรนั้นนะนี้นะอธิกรชื่อว่าไม่มีมูลเพราะไม่มีมูลเหตุมีการได้เห็นเป็นต้นงชื่อว่าอธิกรเพราะเป็นปิดที่จะต้องจัด ก, การด้วยสมมติฐทั้งหลายเนี่ยเราจะได้เรียนนู่นตอนท้ายเลยสุดท้ายนะสมถตนเนี่ยคราวทแล้วก็สอนนะสมมติฐานนสอนนะ ทุกครั้งนะครับต่วจะหยุดท้ายสุดเลยเราจึงอยู่สมถะทั้งหลายอาศัยจิตใจเป็นไปกิตนั้นชื่อวที่ก่อที่ก่อคือเรื่องาราคดีความที่มันเกิดขึ้นนะครับที่จะต้องระงับวิสมถะสมถะก็ือสงบระงับก็คือเครื่องระงับทธิกร่อสมถะง่ายๆก็คือเครื่องรงับที่ก่อเอือเฉพาะในสิขาบทนี้พุเทธค า, านเจ้า ทรงสรสงค์อาัตตาที่กรเคลือนบัพปาราชิตเท่านั้นไม่จิมพ์สมเด็จบัพปาราชิดมีมูนะข้ามบัพปาราชิดนะครับแต่ถ้าที่กรนั้นไม่มีมูลด้วยมูลที่ได้เห็นเป็นต้นและที่สูนี้มาเพื่อต้องการจะโจทยืนยันความผิดคือยอมรับผิดอยู่เมื่อกล่าวความเป็นต้นว่าเราพูดแท้เป็นต้นนะครับชี้ว่ายอมรับอยู่ที่สูนั้นต้องบัมพันธ์เศษ ในเวลาที่ใส่ความแล้วนั่นแหละที่ว่านี้เป็นการที่บานตายหลักผมนะครับก็แปลงนะครับแปลงอย้่ไม่ได้ตอนแรกก็ไม่อาใจเนี่ยก็ไม่ใชความจริงนก็ไม่แต่เมัอนเป็นปาร์ตี้ได้เพราะมันโกหมนกถ้าโกหกนั่นเล่นไม่ได้ จะหอมเนี่ยได้แน่จะโดยอันนี้เอามือหนาในนี้ครับเรื่องพลังเนี่ยหนาเลยกลายตรงนี้มีมีอันนี้นี่หนึ่งครับเพราะว่าที่ไม่มีมูลเนี่ยท่านอธิบายว่าไม่มีมูลด้วยสัญญาณนะไม่มูด้วยสัญญาณเป็นยงไงงั้นผมว่าตัวเองเนี่ยไปเห็นนะครับว่าเข้าไปเสดในถือว่าไปร่างทรัพ จังๆอะไรนะก็เห็นเลยนะครับแต่ต่อมาเกิดสงสัยขึ้นไหมเราไม่เห็นจริงหรือเปล่าใครเคยจะเห็นมานะครัอเราได้เห็นจริงห <c oughs> ปห่ะแล้วมันใช่คนนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราตาฝาหรือว่ามันเป็นตาใส <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าไม่มีมูลด้วยสามอย่างนะครับแต่เห็นตอนแรกมีแล้วนะแต่มันเกิดความอะ ส, สงสัยทีหลังนีนะครับไม่ไแน่ใจแม้เชื่อไม่มีมูลด้วยสามอย่าง เมื่อไม่มีมูลด้สัญญาอย่างนี้ก็จดไม่ได้หกันครับถ้าไปจบก็ยังต้องพิพากดิเศษอีเลยพอถือว่าไม่มีมูลนะไหมไมต้องมีมูลเห็นจัดจางแล้วก็จําได้แน่ชัดเจนนะครับว่าเป็นนั้นจริงทีนี้ท่านจะบอกว่าการโจกในที่นี้นะครับธรมรมดาการโจกนี้เมื่อพิสูจน์ส่งพูดเป็นตัดีนะเอาส่งภาพรูปเหมือนเนเนะไปโจกเลยไ ม, ม่ได้รัศมีสองสอ ง, สองสใจเลยนะครับ มีคุณภาพกุทิคุณภาพที่แล้วนะหนังสือก็ดีส่ง ข, าข่าวถามแล้วก็ดีอันนี้นะครับอาบาัตยไม่ถูงที่สุดต้องอยู่ต่อหน้าจอไปนะครับประเภทอามบัตยสุขาบุนนี้เุ่งม า, า, งางฟ้าค่าจ้าทรงปางลอบพุทธวิสุ่ธิญานและภุมิม า, าตาในเมืองราชเถะทรงบรรยัติเวลาข้อเหตคือการใส่ความด้วยอาบัตประราชิดไม่มีมูลสุขาบุนี้เป็นสาธารณะบัญญัต องพิสูจน์นี้ก็มีกั น, นครับอืมนะสามารถติดารใช้ก็เป็นนะครับแต่เราต้องใช้ใกล้ๆอย่างนั้นเหละพิสูจใส่ความบุคคลบุปผสมบทแล้วจะเป็นผู้บริสุทธ์ก็ตามไม่บริสุทธ์ก็ตามต้องอาด้วยอัมบปาชิต ร, รู้ว่าพิสูจนนี้ไม่ต้องอบมบปาชิตรู้นี่คือสำคัญเข้าใจนะครับถ้าจะต้องหรือไม่ต้องก็แล้วแต่แต่เราเข้าใจว่าเข้าบริสุทธิ์ถ้าไม่ต้องปาชิตร ป้ะสงค์จะให้เพื่อนจากพรหมจันทมีความประสองค์อันนี้ด้วยวะนะุ้ณพระองค์พระนะจึงไม่ขอโอกาสอย่างนี้ว่าผู้มีอายุท่านจงให้โ อ, อกจากแก่ผมกับผมจะโจทย์ท่านครับแล้วก็โจทย์ด้วยแบบปราิดนั้นอย่างเดียวถ้าผู้สูญผู้ถูกโจทย์นั้นรู้ความในขนาดนั้นว่าที่สุนี้โจทย์เราครับตั้งบททางทานิสัและทุกกฎทุกๆคําที่พูดนะครับเป็นทาริสัย เพราว่าโจทย์ปรัปญาชิกมันมีมูมครับเป็นทุกกฎเพราะว่าไม่ได้ขอกานะครับเมื่อโจทย์ไปแล้วนะครับก็รู้ความได้เราต่างกันมครับคงทำเดียวทำเลยก็ไม้ได้เยสองห้องละถ้าขอโอกาสก็ไม่เป็นทุกกฎแตาเป็นทานดิเศษนิดหนึ่งครับเพราเป็นโจทย์ด้วยปรัาชิไม่มีมูมครับไม่มีมูมในปัญหาเรื่อครับอันนี้โดนอย่างดีครับ <c oughs> อ๋นนค อ, อ ค, ครับเมื่อพิสูจน์ของโอกาสโจทย์ด้วยโจทเขาต้องบังคับดิเทดอย่างเดียวเนี่ยมีตรงนี้นะครับแม้เมื่อโจทย์ต่อหน้าด้วยการบอกไม่ใช้ภาษามือ เ, เป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วก็คขารูเรื่องกขาต้องลำบากแต่เมื่อพิสูจน์โจรับหลังยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่ต้องอานบัก ตอนนี้นายดีการบอกว่าเป็นอามบัตทุกกฎนะครับเป็นอามบัตทุกกฎแต่พิสูตผู้กล่าวด้วยอามบัตนั้นเสร็จกอในที่รับหลักเจ็บรับหลักไม่ยอมเป็นแล้วอามบัตเบาลงครับไปทุกกฎไม่ได้นะเพราะมีมูลอะไรนะครับสั่งพิสูจน์ซึ่งสั่งพิสูจอื่นซึ่งมีอยู่ใกล้ๆกับตนและพิสูจนั้นโจทย์พิสูจนั้นต้างคําของผู้สั่งพิสูตผู้ให้โจทย์ ต้องอานแบบตามในงานจัดะครับคนสั่งก็ต้องเดินถ้าแม้พิสุจน์นั้นคนที่ถูกใช้นะโจทย์ว่าเราเห็นเองเราได้ยินเองพิสูจน์ทั้งสองรูปต้องอาบับบเหมือนกั น, นครับคงจะไม่ชอบที่หน้าตรงนี้อยู่แล้วนะพอเข้ามาใช้เตือนก้อนสามทับมาเลยนะครับผมก็รู้นะก็รู้ก็เห็นเองเหมือนกั น, น <c oughs> ก็โดนกันคู่เลยแต่แต่มีความประสงค์จะด่า ท่า น, นประสงดานะไม่ได้ขอโอกาสว่ากล่าวต้องบัดไปอีกทีแล้วทุกกนะไปอีกทีพ่อดา้ทุกกฎก็ว่าไม่ได้ขอโอกาสโดยในที่กล่าวแล้วเหมือนกันเมื่อขอโอกาสว่าเมื่อขอโอกาสว่ากล่าวต้องบัดไปอีกทีอย่างเดียวถ้จะขอโอกาสก็แล้วแต่แต่ใจก็ประสงค์จะด่านะครับไงก็ไม่พ้นไปอีกทีหรอกขอโอกาสว่าแล้วมัก็ด่าดาอนะไรเนี่ยด่าสง รับขอเนี่ถ้ามันของเจ้าหน้เนี่ยมันเป็นไฟายจีนนะแตรับเป็นปงายจีบครับ เขาโกงหงุ่มแล้วเนี่ยเขาโกงเขาฝามบอกใช่ไหมก็รู้กันใช่ไหมว่าไอคนถูกใช้ก็รู้ว่าคนนี้ไม่ได้เป็นใช่ไหมไอคนนี่ถึงใช้เราเป็นอาบัติไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอาบัติไม่ไ้มาโกงหงนไงตอนต่บไปดีเพราะว่าคู่โกง่อืมโกงห่นิดหแล้วแล้วคนที่ ที่ใช่ก็เปนี่แบบโกหกนี่ใช้คนอื่ น, นเปนี่แบบเฮ้ยสุ่มใช้ก็เป็นอย 1, 2, 3, ู่แล้วน่แย่ไปแล้วไปตีเขาทุกคนนที่ใช้คนที่ใช้ยังไม่แน่ใจนะต้องกลับไปดูอีทีว่าใช้คุอโกหกเป็นนหรือถือว่าจะไม่เกี่ยวใช้ไหนนะคนโกหโดนนะโกหโดโกหดต่ดะะอไปนก็อนาบต ตอนนี้อาณาบัตและเจตอาาบัตที่ว่าไม่ต้องอาบัตพ่อไม่ขอการมากกว่านี้นะที่สูตรที่ไม่ต้องอาบัตคือที่สูตรประสงค์จะให้ออกจากอาบัตเนี่ก่าว่าท่านต้องอาบัตนี้จงแสดงอาบัตนั้นสีอันนี้เถือว่าไม่ต้องอาบัตพ่อไม่ขอการไม่ยังเป็นต้องขอกัดนะครับแล้วก็ไปบอกการเขาเลยเลยพ่อประสงค์เราดีนะหรืองดอุญเสรีปราราเนี่ยไม่ต้องขอการกัน แต่ที่สูจนนั้นต้องรู้เขตแห่งกลางงดอุบวนสืปตรามาเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับอุโปโภคทั้งกระเลยยะนะครับเอาวัต ก, กันเลยนะยังไม่ถึง ย, ยนะเนี่ยก็ยังงดได้นะครับถ้าเข้าเบถึงยะก็ไม่ได้นะครัอ๋ออันนี้ไม่ใชันนี้ค่ะครับพิสูจนนั้นต้องอ่านมว้แล้วก็ไม่ยอมทำพื้นนะครับโอกคอ่านไว้อยู่ พระพุทธรูปเรา ก, ก็จะใน้รูปอุโบสถด้วยนะตอนนั้นนะที่ว่าเราก็มีรูปหนึ่งครับมีพุทธคันตรักมาอยู่แล้วก็มันอยู่หลายวัง น, นะและท่านก็มีนิสองนิสสิตทีครับตอนแรกมาเหมือนก็สลัดไปแล้วนะทีที่ออกไปก็ไปรับไปอะไรมาครับรู้สึกว่าจะมีของที่ซื้อมาแล้วไม่ยอมสครับสติไม่ค่อยดีด้วยนะท่านจะประสาเป็นร่องไหมเมื่อก่อนท่านเคยอยู่ที่นี่คนระับ เป็นแบบรุ่นเก่าแก่น่านะรุ่นนี้ครับชื่ออะรเชื่ออะไรไม่บอกเขามีแทยีหน้ครับนอกจากนะอาจารย์อาจารย์สมชาคนละคนละสท้านี่ยนะสมชาที่หัว้านนะสมชาแก่สมชาแก่เขารู้ึกเขาเเครียดมากว่าจะลูกเขาอาอะไรเขาหนาใหญ่ ทีนี้ก็หอขนาดนั่นแหละในถ้ำกลางสงนะก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้งดแบบกางพระาีพิสูจนอะไรนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเราสอกสือเราถามตรงนั้นนะไม่ได้ถุนถามนะครับท่านก็เหมือนว่าไม่ออกมาล้ำข้างนอกนะท่านจะเพิ่มบนเพิ่ในคนีนะครับควข้าวจานขาลยโอ้เป็นนักปัญญาสุมมนาที่วุฒขึ้นไปด้ครับนั่นแหละท่านก็หูน้องใกล้ใท่านนะท่าก็พูดอยู่คดีนั่นครับ มันกะใจมันไปกับเรื่องในใจอย่างเดียวครับไม่ออกมาทดูครับมันตกปมันมีก็หัวเราะหัวเละมันมีก็เศร้าครับราวาการหนักอะไรครับตอนนั้นมันคิจิตรว่าใครนี่จะพาจะหาหมอเมื่อไหร่เาไม่ไปหรืออะไรครบจะพาแต่ว่าการหนักครับการหนักอะไรครับท้ายกัน ครับ๋ออ๋อปีกว่นีนะครับนี่แล้วมาส่ชายอนี้ไม่ได้เป็นทหารกส่ชายใช่นม่ใช่ไมต่อไปนะครับอ ที่สูบผู้สอบสวนเมื่อเกิดเรื่องขึ้นจะ ก, การด้วยประสงค์จะสอบสวนว่าเรื่องของท่าน ม, มีอยู่นี่ก็ไม่ต้องขอโอกาสสอบสวนก็ได้เลยเรื่องใครไปทำกล า, าสงสงทำไมใครผิดใครถูก <c oughs> ที่นี่ก็มีชั้นหนึ่งนะโอ้ผมอยู่นานก็เจอหลายแผนี่สอบสวนข้านะครับฮะาแโยมเราะมันเอามาสอบสวนสำนัาจางดอนอยู่าจารงดอนจ็มีข้าศิลท่านวางตัวนี้ครับ ท่านจะไม่เข้าพังใครเลยนะเพราะว่าว่าเป็นเป็นต่างเราคาดคันไม่ได้เียฝ่ายเจียกที่นั่นถ้าเราทำการเนี่ยกาธรรมดาก็คือรับผุนต่างะครับแต่ท่านได้าการเจียกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่แค่นี้เองครับพยายามตัวนี้ตันอรับวัถที่กันนะครับแต่เราก็ยังไม่ถูกกันเหมืนอนดิมใครับใครับนะอแล้วใช่หรือลออเนเน ไี่ใช่เนี่กโยครับอันนี้กันหมดไม่บอกอย่างนี้ถ้าจะเสียอันนี้รากฝังเคยพอมันมีเรื่องที่นี่นะตอกเสริมกัน่หลไรๆบางคนมีขนะว่างดไม่หมานี่นะครับนักขนาดนั้นเ่ยโยนที่ตือยอะโยนี่คือใช้ ต่อไปนะครับไนจยครับเพราะไม่ได้ประจบโยนนะมอนก็ว่ามีเรื่องอโยนแล้วก็ไปฉุดมือโยนครับอ๋อโยไดึงอแล้วโยนเขารู้สึกว่าทาไมในยาทนนแตนัเลยข้ารู้สึกไม่พอใจใช่อัน้หัวเะ ต่อไปอันไร้ผสมจะสอบสวนเนี่ยไม่เป็นไรครับถึงพระธรรมการเถตุเมื่อกล่าวธรรมะไม่เจาะจองนะครแสดงเป็นธรรไปวินัยแก่นะโดยนาย็นต้นว่าที่สุดใดทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ที่สุนี้ไม่ใช่สมณะไม่มที่ต้องเผาันะครับพเทพราะว่าแสดงไปตามทางตามวินยัยเฉยนะไม่เจาะจงว่าใครนะครับแต่ถ้าพระธรรมกัจจเหตุกำหนดเจาะจงล่งจอจองาวว่า ที่สือรุ่มน้อยุ่มน้อยไม่ใช่สมณะไม่ใช่บาศบอกกันเลยรุ่มนั้นชื่ อ, อนี้อยู่ปกตินั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับจอดชงไปงนี้ดังนี้แล้วลูกสาสนะต้องไปแสงดงหาบัตอาบัทุูกดเพราะว่ า, าดักดักล้ำหลังแรกที่สือบ้าเป็นต้นไม่ต้องการับองอา บ, าอาบาอัตการเรียนรู้เมืสิคามวันนี้จะเป็นสีลมัม บ, บัตสิคามวันนี้มีองห้าคือหนุนโจ หรือให้ผู้อื่นโจนะครับหรือให้โจผู้ใดผู้นั้นเป็นพระพิสุ ข, ขอเอาเรื่องโจพระเลยนะทีนี้ครับสองนะครับรู้ว่าต้องสําคัญนะจะว่ารู้ว่าสําคัญก็ได้นะครับสำคัญว่าพิสุขนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจะปราณชนิดไม่ปราชิพลาแต่นะแต่และข้าจาขอจะว่าข้อบริสุทธิ์สามอันบัตรปราณชิดที่จะโจ ไม่ม um ีมูลเรื่องหน้าการเห็นเป็นต้นไม่มีมู่เลยยีดีเพรปัญหาเรื่องเท้าสี่มีความประสงค์ใช้ยาศีรษาแล้วก็โจกต่อหน้าเรื่ถ้าที่สุดผู้ถูกโจรรู้ความในขณะนั้นเมื่อครบองค์ท่าก็ไปบำบัดงานเศร็จในข้อนี้ถ้าไม่รู้ความเป็นอาบัติอะไรท่านก็ไม่ได้บอกเล้งครับผมรู้สึกมีเภัยฐานอาจารย์อาจารย์ว่าถ้าไม่มีบอกแล้วก็ไม่เป็น สมุทฐานเป็นต้องเป็นเหมือนกับแนวทินนาทาสัจธบทก็คือเท่าไหร่ครับสมฐามีจิตทั้งหมดตาจิตวางใจจิตตาวาจาจจิตนะครับอันนี้มีจิตนะครับจิตที่ให้เขาขึ้ื่อนโมันสั่นายเขาสึกนะใจไม่มีนะครับแล้วก็จดไม่ตายก็ได้ทำไม้ทามืครับจไม่วางใจทั้งการเวางใจเขาไม่ใส่ก็รด้ยเ้านั้นนะครับ แต่สื่ารวันนี้มีเพียงทุกเวทนาอย่างเดียวเ <c> ท <oughs> ่านั้นแหละพราใจมันโทรสะใช่ไหมครับจบการอธิบายทุตตะโทสักสิ่อขาบุคคลตอนนี้ <c oughs>